จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่19ทธันวาคมพุทธศักราชสอพันธ์ห้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภาวะจิตการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาสร้างบุญสร้างคุศสเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้าของชีวิตจิตใจที่จะตามมาด้วยความอุตสาหะวิริยะภาคเพียนพยายามตะเกีกตะกายประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะทรงตรัสไว้ว่า ความสำเร็จนั้นอยู่ที่ความพยายามการหลุดพ้นอยู่ที่ความเพียรไม่ได้อยู่ที่ไขทั้งสิ้นไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระธรรมคำสอนไม่ได้อยู่ที่พระอริยสงสารกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นเพียงแสงสว่างเป็นผู้นําทางแต่ผู้ที่จะเดินตามนั้นก็คือพวกเราพวกเราจึงต้องยึดหลัก อัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครสามารถที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้นอกจากตัวเราเองด้วยความภาคเพียนด้วยวิริยะบามีตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนไว้สี่ประการด้วยกันคือหนึ่งให้ภาคเพียนสร้างความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น สงให้สร้างให้เพียรรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้หดหายไปสให้เพียรละกายกระทำบาปทั้งหลายให้หมดไป 4. ให้เพียรป้องกันไม่ให้บาปที่ได้ละแล้วหวนกลับคืนมาอีกนี่คือ ความภาคเพียรในสีลักษณะด้วยกันถ้าเราสามารถทำความเพียรในสิ่งทั้งสี่ประการนี้ได้เราจะมีแต่ความสุขและความเจริญและจะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปตามลำดับจนหลุดพ้นได้อย่างสิ้นเชิงอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นวิธีทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวิกทั้งหลาย ได้ปฏิบัติกันมาได้บำเพ็ญกันมาจนเห็นแจ้งชัดแล้วว่าเป็นทางหรือเป็นวิธีการที่ถูกต้องที่สุดไม่มีผู้อื่นประตูแทนเราได้เหมือนกับการรับประทานอาหารผู้อื่นรับประทานอาหารแทนเราไม่ได้ผู้อื่นหายใจแทนเราไม่ได้ผู้อื่นดื่มน้ําแทนเราไม่ได้เราต้องต้องเป็นผู้ ดื่มเองรับประทานเองต้องปฏิบัติเองถึงจะเกิดผลกับตัวเราผู้อื่นปฏิบัติเขาก็ได้รับผลแต่เราจะไม่ได้รับผลจากการปฏิบัติถึงแม้เขาจะสงเคราะห์เราช่วยเหลือเราเขานั่นแหละเป็นคนที่ได้รับประโยชน์เพราะเขาได้ทำความดีแต่เราถ้านั่งงอมือรอให้เขามาช่วยเหลือเรา เราก็เป็นเหมือนขอทานเราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากสิ่งของหรือสิ่งที่เขาช่วยเหลือเราไปในแต่ละครั้งแต่ละคราวเท่านั้นเองแต่ถ้าเราสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเราได้เองแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปรอพึ่งใครเราสามารถตักตวงประโยชน์จากการมาเกิดเป็นมนุษย์จากการได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ได้อย่างเต็มที่อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ตักตวงจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ น, นั้นต้องบำเพ็ญความเพียรด้วยตนเองต้องสร้างความดีต้องรักษาความดีต้องละบาปและต้องป้องกันบาปทั้งหลายที่ได้ละแล้วใ ห, ห้ไม่ให้หวนกลับคืนมาอีก จนในที่สุดจิตใจของท่านก็กลายเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเหตุที่จะผลักดันให้ไปเวียนว่ายตายเกิดให้ไปก่อกรรมทาเวรไปอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่เป็นคำสอนที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีอย่างอื่น แต่ถ้าไม่มีความขยันไม่พึ่งตนเองแล้วก็จะไม่มีทางที่จะทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําของเราความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นดังนั้นขอให้เรายึดหลักอัตตาหิตอั ต, ตโนนาโถเป็นตัวนําพาการปฏิบัติของเราและยึดหลัก พุทธังธรรมังสังฆังสารณะกชามิเป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างเป็นผู้นําทางถ้าเรามีสารณะทั้งทั้งสองชนิดเลยแล้วเราก็จะสามารถบรรลุถึงผลต่างๆที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมก็ต้องมีมีสารณะทั้งสองอย่างทางโลกก็ต้องศึกษาล่ิ่มเรียน หาวิชาความรู้ด้วยการตั้งใจล่ำเรียนเมื่อจบแล้วก็ต้องเอาความรู้ที่ได้หามานี้มาทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความประหยัดมัธยัตแล้วไม่นานก็จะสามารถบรรลุถึงผลที่ต้องการได้ก็คือความร่ำรวย ความอยู่อย่างสุขอย่างสบายส่วนทางใจก็เช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์อยู่อย่างไม่มีความวุ่นวายใจอยู่อย่างไม่มีความว้าวุ่นขุ่นมัวว้าเวเศร้าส้อยหงอยเหงาหรืออิ่นาระอาใจท้อแท้เราก็จำเป็นที่จะต้องมีความเพียรในการกระทาทั้งสี่ประการนี้ เช่นการสร้างความดีนี้ก็หมายถึงการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นการกระทำไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจที่ทำไปแล้วไม่เกิดโทษแก่ผู้อื่นเกิดแต่ประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการทำความดีอย่างวันนี้ญาตโยมก็เพียรพยายามตื่นแต่เช้าแล้วก็ออกเดินทาง บางท่านมาถึงมาจากกรุงเทพต้องอต้องตื่นแต่เช้ามืดตีสี่ตห้าแล้วก็ต้องเตรียมข้าวเตรียมของต่างๆขับรถเดินทางมากว่าจะมาถึงก็ต้องใช้เวลาสองชั่วโมงและยังพอมาถึงแล้วก็ยังต้องมานั่งรอพระให้กลับมาจากบินทบาทเตรียมจัดอาหารข้าวหวานต่างๆและสิ่งของที่จะนำมาถวายพระ เมื่อได้ถวายแล้วก็ต้องนั่งรอเพื่อที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมต่อไปซึ่งก็เป็นความเพียรอีกแบบหนึ่งการได้ยินได้ฟังธรรมนี้ก็เป็นประโยชน์กับตนเองเพราะจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังใหม่อีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นสจะขจัดความนังเลสงสัย ในข้อธรรมะต่างๆได้ 4. จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้อง 5. จะทำให้จิตใจผ่องใสมีความสงบมีความสดุดนี่คือประโยชน์สุขที่ได้รับจากการภาคเพียงมาวัดเพื่อมาสร้างความดีและเมื่อเราได้ทำความดีเหล่านี้แล้วก็ควรที่จะทำต่อไปอย่าลดละถ้าไม่เป็นเรื่องสุดวิสัย เช่นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่มีความสามารถที่จะเดินทางมาทำบุญอย่างที่มาทำได้ในวันนี้อันนั้นก็เป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ถ้าตราบใดยังมีลมหายใจยังมีฐานะการเงินการทองพอที่จะมาได้ก็ขอให้ทำต่อไปนี่คือตัวอย่างของการทำความดี ซึ่งก็ไม่หมายความว่าจะต้องทำกับวัดอย่างเดียวการทำกับความดีนี้ทาได้กับทุกสิ่งทุกบุคคลที่มีชีวิตอยู่นะทการทำความดีนี้ก็มีเหตุผลหลายประการบางท่านอาจจะทำด้วยความเมตตาคือมีจิตใจที่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นอย่างเช่นตอนช่วง ปายปีนี้เราก็ส่งความปรารถนาดีที่เรียกว่าส่งสคสส่งความสุขให้แก่ผู้อื่นอย่างนี้ก็เป็นการทําความดีด้วยความเมตตาคือมีไมตรีจิตปรารถนาความสุขให้แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนอย่าส่งสคสไปแล้วมารอรับสคสที่เขาจะส่งกลับมาให้เราถ้าอย่างนี้แล้วเราอาจจะเสียใจได้ ถ้าเราไม่ได้รับสกบสอที่เราส่งไปให้เขาแล้วเขาไม่ส่งกลับมาเป็นการตอบแทนกันการส่งสองสอหรือการส่งความสุขนี้ต้องส่งแบบไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นส่งเพราะเราอยากจะให้เขามีความสุขส่วนเขาจะส่งมาหรือไม่ส่งมากลับมานี้เป็นเรื่องของเขาเพราะอาจจะมีหลายเหตุการด้วยกัน เขาอาจจะไม่ได้รับสกสอของเราก็ได้หรือเขารับและเขาส่งมาแต่ส่งมาไม่ถึงก็ได้มีหลายเหตุหลายประการด้วยกันเราจึงอย่าไปหวังผลตอบแทนจากการทำความดีเพราะจะทำไม่ให้เป็นบุญนั่นเองแต่ถ้าเราทำโดยไม่หวังผลตอบแทนเราก็จะได้บุญคือความสุขใจ ไม่ว่าเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับไม่ว่าเขาจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนเมื่อเราทำไปแล้วด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์เราก็จะมีความสุขใจนี่คือการทำความดีด้วยความเมตตาส่วนการทำความดีด้วยความการุณาก็คือด้วยความสงสารหมายถึงเวลาที่เราเห็นผู้อื่นเขาตกทุกข์ได้ยากลาบากลาบนเราก็สงสาร อยากจะช่วยปลดเรื้องความทุกข์ยากลำบากให้แก่เขาเราก็ช่วยเหลือไปเช่นเราเห็นคนเขาเดือดร้อนไฟบ้านาไฟไหม้บ้านหรือน้ําท่วมขาดแคลนเรื่องปัจจัยสี่เราก็ช่วยรวบรวมปัจจัยเงินทองข้าวของแล้วก็นําไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างนี้ก็เรียกว่าทําความดีด้วยความสงสารด้วยความกรุณา การทำความดีก็มีอีกลักษณะหนึ่งก็ทำด้วยการด้วยความกตัญญูกตวเวทีคือเรามีความสำนึกในบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาปุยาตายายครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรามีความเห็นว่าท่านมีพระคุณแก่เรามากเรามีโอกาสเรามีฐานะ เราก็อยากจะตอบแทนบุญคุณให้แก่ท่านเราก็มีอะไรเราก็เอาไปให้ท่านหรือเราทําอะไรให้กับท่านได้ก็ทําไปรับใช้ได้ก็รับใช้ไปทําอะไรก็ได้ที่ทําให้ท่านมีความสุขใจมีความสบายกายนี่ก็เป็นการทําความดีเพื่อตอบแทนพระคุณของผู้อื่นซึ่งรวมอยู่ในคําว่าทานคือการให้ นี่คือตัวอย่างถ้าเราได้ทําความดีเหล่านี้อยู่เป็นประจําก็ขอให้เราทําไปตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไม่เจอแล้วเราจะมีแต่สิ่งที่ดีเป็นเป็นผลตอบแทนกลับมาคือความสุขใจความเจริญในทางด้านจิตใจนี่คือเรื่องของความเพียรที่เราจะพยายามทําความดีให้ ให้เกิดขึ้นถ้าเรายังไม่เคยทำก็ขอให้เราเริ่มทำกันถ้าเราทำน้อยก็ทำให้มันมากขึ้นทำให้มันเต็มที่เลยแล้วถ้าเราทำได้แล้วก็อย่าไปเลิกทาอย่าไปเกิดความท้อแท้ในบางครั้งที่เราอาจจะมีอารมณ์อาจจะไปพบกับสิ่งที่เราเห็นแล้วทำให้เราหมดศรัทธาก็ขอให้เราอย่าไป ทำให้สิ่งที่ทำให้เราหมดศรัทธานั้นเลิกทำความดีเราก็หันไปทำกับบุคคลอื่นผู้อื่นก็ได้ถ้าบุคคลนี้เราหมดศรัทธาเราก็ไปหันไปทำกับบุคคลผู้อื่นก็ได้เพราะการทำความดีนี้เป็นเหมือนบันไดที่จะนำพาให้เราขึ้นไปสู่ที่สูงให้เราไปเป็นพระอริยบุคคล ให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องทำความดีไปตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไม่หรือจนกว่าเราจะบรรลุถึงพระนิพพานแล้วเมื่อถึงพระนิพพานแล้วการทำความดีหรือไม่ทำความดีก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรเช่นพระพุทธเจ้าจะมาประกาศพระธรรมคาสอนให้แก่สารโลกหรือไม่ประกาศ ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะองค์นั้นไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยการทําความดีต่อไปแล้วเหมือนคนที่รับประทานอาหารอิ่มแล้วไม่จําเป็นต้องรับประทานอาหารอีกเพราะรับประทานเข้าไปก็ไม่ได้ทําให้มีความอิ่มมากกว่าที่มีอยู่ที่เป็นอยู่แต่ในขณะแต่สําหรับคนที่ยังไม่กินไม่อิ่ม น, นี้อย่าหยุดกินกินต่อไป กินไปจนกว่าจะอิ่มเต็มที่แล้วจนกินไม่ไหวแล้วถึงค่อยหยุดกินท ำ, ทำการทำความทำความดีก็เช่นเดียวกันเมื่อทําไปแล้วก็อย่าเพิ่งหยุดทําขอให้ทําต่อไปอย่างตัวอย่างที่ได้พูดนี้ก็เป็นเพียงการทําความดีส่วนหนึ่งเท่านั้นยังมีความพ ย, ยายาอื่นที่เรายัางต้องทํากันอยู่อย่างการมาฟังเทศคําธรรมในวันนี้ก็เป็นการ ทำความดีเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะนั่งเฉยๆแต่ใจเรากำลังทำความดีเวลาเราฟังเทศฟังธรรมนี้ความคิดของเราจะต้องคิดไปตามธรรมะคำสอนถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมความคิดของเรามักจะถูกกิเลสคือความโลภความ โ, โกรธความหลงดึงไปคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในความโลภความโกรธ ความหลงความยึดติดในสิ่งต่างๆอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปอย่างนั้นเป็นมาอย่างนี้โดยที่ไม่เคยพิจารณาเลยว่าจะเป็นไปได้ตามที่ความตามความอยากตามความคิดหรือไม่นี่คืออำนาจของความหลงพาไปแต่ถ้าเราได้ฟังธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะคิดตามไปคิดตามไปเรื่อยๆ แลวเมื่อเราคิดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะกลายเป็นปัญญาขึ้นมากลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาเพราะคำคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนจากความจริงเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นแล้วถ้าใจเราคิดตามความจริงใจของเราก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ทรมานใจเหตุที่พวกเรามีความทุกข์ทรมานใจกันทุกวันอยู่นี้ก็เพราะว่า เราคิดทวนกระแสความจริงเราไม่คิดตามความจริงอย่างพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราคิดว่าเกิดมาแล้วต้องมีความแก่เป็นธรรมดาต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาต้องมีความตายเป็นธรรมดาต้องมีการพัดรากจากการเป็นธรรมดานี่เราไม่คิดกันพอเราไม่คิดเราก็ไปคิดตรงกันข้ามกัน เราไม่อยากจะแก่กันไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากจะตายไม่อยากจะพัดพรากจากกันพอไปคิดอย่างนี้มันก็สวนกับความจริงพอความจริงเกิดขึ้นมาก็จะทําให้เกิดความทุกข์ทรมานใจเศร้าโศกเสียใจจนกระทั่งอาจจะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปคนที่ฆ่าตัวตายก็เพราะ ไม่มีความคิดที่เป็นไปาตามหลักธรรมไม่ได้คิดไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่ค่อยได้ฟังเทศฟังธรรมกันฟังฟังเทศแต่เป็นเทศของกิเลสของกิเลสทันหาของความโลภความโกรธความหลงที่สอนให้อยากอยากอยู่เป็นทันยานอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่พัดพรากจากสิ่งสัง่งซจากบุคคลต่างๆ นี่เป็นคำเทศของกิเลสตัณหาของความหลงของโมหะของอวิชา เ, เราจึงต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อ ย, เ, อยเพื่อจะได้คิดไปในทางที่ถูกคิดไปในทางที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกตั้งความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องเห็นว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บ ต, ต้องตายต้องพัดพรากจากกัน ไม่มีใครหนีพ้นไปได้แต่คนที่คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วใจจะอ่อนตามกับความจริงจะไม่ต่อต้านความจริงจะไม่สู้ความจริงเพราะสู้ไปก็ไร้ประโยชน์สู้ไปก็จะทําให้ทุกทรมานใจไปเปล่าๆเช่นเวลาที่เราต้องเสียอะไรแล้วเราพยายามต่อสู้เราจะมีความทุกข์ทรมานใจมาก แต่พอเราปร่งเสียว่าอายอมเสียก็เสียถ้าจะไปก็ไปพอเรายอมเท่านั้นตปรงเท่านั้นเองเราก็สบายใจใจเราก็เย็นใจเราก็หยุดเขาจึงมีสูตรสามยอว่าให้ยอมหยุดแล้วก็เย็นเราอย่าไปฝืนความจริงยอมรับความจริงตอนนี้เราเป็นอะไรก็ยอมรับกับสภาพของเราถูกเขาดา่าก็ยอมให้เขาดา่า อย่าไปต่อสู้อย่าไปฝืนเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะด่าเราเขาจะใส่ร้ายเราเขาจะทำร้ายเราก็ขอให้เรายอมปล่อยให้เขาทำไปแต่ถ้าเรามีโอกาสที่จะชี้แจงเราค่อยชี้แจงไปแต่ถ้าเรายังไม่มีโอกาสหน้าที่ของเราตอนนี้ก็คือต้องทำใจของเราให้เย็นอย่าไปร้อนเพราะถ้าเราต้องการที่จะตอบโตจะชี้แจง หรือจะ ต, อต่อสู้นี้ก็จะทำให้ใจเรามีความรุ่มร้อนขึ้นมายอมปล่อยให้เขาพูดปล่อยให้เขาทำให้เขาพอเมื่อเขาเหนื่อยแล้วเขาก็จะหยุดเองแล้วเมื่อมีโอกาสเราค่อยมามาชี้แจงถ้าเป็นความจริงก็ยอมรับผิดถ้าไม่ใช่เป็นความจริงก็ชี้แจงไปว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูด ส่วนคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่สามารถไปบังคับให้เขาเชื่อหรือไม่เชื่อได้แต่ถ้าเราพูดความจริงแล้วอย่างน้อยที่สุดเราจะมีความสบายใจเราจะไม่เดือดร้อนใครจะเชื่อก็เชื่อใครจะไม่เชื่อก็ไม่เชื่อไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ได้อยู่กับความเชื่อหรือความไม่เชื่อของคนอื่น เราอยู่บนพื้นฐานของความจริงความถูกต้องนี่แล้วเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเรานี้มีหลักมีเกณฑ์มีความมั่นคงไม่หวั่นไหวเรื่องสรรเสริญหรือหนิงทาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าจากใดเรายืนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วยอมรับ การจัดรเสิร์ญหรือการตำหนิตีเตียนอย่างไม่หวั่นไหวไม่ตอบโต้ยอมไม่ยอมแล้วเราก็จะหยุดไม่ต่อต้านไม่ตอบโต้เมื่อไม่ต่อต้านไม่ตอบโ ต, ต, ต้แล้วเราก็จะเย็นจะมีความสุขคนที่เขาด่าเรานั่นแหละกับจะเดือดร้อนเพราะใจเขามีความโกรธมีความเกลียดใจของเขานั่นแหละจะทุกข์จะวุ่นวายใจแต่เราไม่ได้ไป ทุก…ไปวุ่นวายใจไปกับเขาเพราะเรารักษาใจเราด้วยความจริงด้วยความถูกต้องนี่คือเรื่องของการทำความดีที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมเราจึงควรฟังอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปความคิดของเราจะคิดไปตามความจริงเสมอจะไม่ค้านความจริงจะยอมรับความจริง จะยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงรวยก็ยอมรับว่ารวยจนก็ยอมรับว่าจนสุขสบายก็ยอมรับว่าสุขสบายไม่สุขไม่สบายก็ยอมรับว่าไม่สุขไม่สบายปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีอะไรที่จะเป็นไปอย่างถาวรต้องมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ สุขได้ก็เดี๋ยวก็ทุกข์ได้ทุกข์ได้เดี๋ยวก็สุขได้ไม่มีอะไรจีรังถาวรในโลกนี้มีการเกิดมีการดับมีการเปลีป่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งเดียวที่เราควรจะรักษาไม่ให้เปลีป่ยนแปลงก็คือใจของเรานี้ก็คือใจให้นิ่งเฉยให้รับรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างเท่านั้นเองถ้าใจเรานิ่งเฉยรับรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้ว จะไม่มีอะไรสามารถมาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราได้ใจของเรานี้จะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งหลายเป็นเหมือนกับหลุมหลบภัยที่สมัยก่อนเขาสร้างไว้สำหรับหลบภัยเวลามีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดถ้าอยู่นอกหลุมหลบภัย ก็อาจจะถูกลูกระเบิดทำลายได้แต่ถ้าห น, นีเข้าไปอยู่ในหลุมหลบภัยแล้วก็จะไม่มีภัยต่างๆเข้ามาทำลายได้ฉันใดใจที่ยอมหยุดเย็นแล้วนี้จะไม่มีอะไรมาทําให้ร้อนได้ไม่มีอะไรจะมาทําให้ทุกข์ให้วุ่นวายใจได้ดังนั้นเราจึงควรฟังเทศฟังธรรม <c oughs> อยู่อย่างสม่ำเสมอขอให้ถือว่าเป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารถ้าใจเราขาดธรรมะเมื่อไหร่ใจของเราก็จะอดอยากขาดแคลนใจของเราก็จะคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางความโลภเมื่อโลภแล้วไม่ได้ตามความโลภ ก, ก็จะคิดคิดไปในทางความโกรธคิดไปในทางความเกลีดกยดคิดไปในทางอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรม แล้วก็จะคิดไปทำร้ายผู้ที่เราโกรธเราเกลียดแล้วเมื่อทำไปแล้วก็จะต้องมาวุ่นวายใจทุกข์ใจกับการกระทำเสียใจกับการกระทำและต้องไปรับโทษรับเคาะจากการกระทาของตนอีกต่อไปเพราะว่าไม่ยอมหยุดไม่ยอมฟังเทศฟังธรรมเพื่อที่จะคิดไปในทางที่ถูกที่ควรคือยอมหยุดแล้วก็เย็น ยอมรับกับสภาพฐานะของตนตอนนี้ไม่มีอะไรก็ยอมรับว่าไม่มีอยู่กับมันไม่มีนี่แหละอย่างมากก็แค่ตายถ้ายังไม่ตายก็ก็อยู่ได้ขอทานก็ยังอยู่ได้เรามีมากกว่าขอทานต้องหลายเท่าทําไมเราจะอยู่ไม่ได้ไม่ต้องไปอับอายถายหน้าว่าเรายากเราจนว่าความจนนี้ไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นสิ่งเสียหายแต่อย่างใดไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าอับอายแต่อย่างใดแต่สิ่งที่น่าอับอายก็คือความชื่อต่างหากการทำบาปต่างหากถ้าเราจนแล้วเราเราอยากจะหนีความจนด้วยการไปทำบาปไปลักไปขโมยไปช่อโกงอย่างนี้เรากลับจะเสียหายมากกว่าน่าอับอายมากกว่า การกระทำบาปนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายไม่ใช่ความยากจนความยากจนนี้ก็ขอให้ถือว่าเป็นวิบากก็แล้วกันวิบากที่เกิดจากการไม่ได้ทำความดีพเท่าที่ควรหรือวิบากที่เกิดจากการทำบาสนี่คือผลที่ผลจึงได้เกิดขึ้นมาแต่มันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรที่จะทำความดี เช่นออกไปหางานทำไม่ว่าจะเป็นงานชนิดใดก็ตามที่ถ้าเป็น ง, งานที่สุดจลิตถึงแม้ว่าจะไม่ได้รายได้มากก็ดีกว่านั่งงอมืองอเท้าแล้วก็มานั่งกุ้ม อ, อกกุ้มใจออกไปทำมาหากินทำเท่าที่เราจะทำได้เพื่อที่เราจะได้หนีจากความอดอยากขาดแคลนนี้ไปได้ด้วยอัตตาหิตอัตโนนาถ ด้วยการพึ่งตนเองอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเพราะเวลาเราไปขอพึ่งคนอื่นแล้วถ้าเราไม่ได้รับความช่วยเหลือเราก็จะเสียใจและเราก็จะโกรธคนที่เราไปขอรับการช่วยเหลือที่เราไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเขาเราอย่าไปโทษเขาเราต้องโทษตัวเราเองฐานะของเราความเป็นอยู่ของเรานี้มันเป็นวิบากของเราที่เราจะต้องผเผชิญและต้องแก้มัน ด้วยด้วยความขยันหมั่นเพียรขยันต่อสู้กับมันแล้วไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็จะหลุดพ้นจากฐานะที่ไม่ดีนี่ได้หลุดพ้นจากความทุกขจากฐานะที่ไม่มีนีได้ตามที่พระเจ้าทรงตรัสสอนว่าความเพียร น, นี่แหละจะเป็นตัวที่จะนำพาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ จึงขอให้พวกเราจงพยายามยึดหลักอักตหิอัตโนนาโถยึดหลักของการพึ่งตนเองนี้มาเป็นหลักของการดำเนินชีวิตของเราและรับรองได้ว่าเราจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับอย่างแน่นอนและจะไปถึงจุดสูงสุดได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการสร้างความ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 ด้วยอายุวั น, นสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเธอ